จากอีสานสู่ภาคเหนือเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ท่านพระอาจารย์เล่าเองบ้างพระอาจารย์เนียมโชติโกเล่าบ้างท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าพอไปถึงวันแรกก็เจอเข้าแล้วพักที่ริมป่าการต้อนรับการจัดสถานที่จากชาวบ้านอย่าหวังมีแต่พื้นดินและ่วมไม้เท่านั้น เป็นสถานที่พักเวลาเข้าไปบิณฑบาตชาวบ้านนั่งจากกลุ่มผิ้งไฟกันพอเห็นท่านก็ถามว่าตูเจ้ามาเอาหยังดีถ้าเข้าพูดภาษาคําเมืองได้ท่านตอบว่าตูมากุมข้าวเขาเอาข้าวสารมาจะใส่บาทให้ท่านบอกว่าตูเอาข้าวสุกจึงเอาข้าวสุกมาใส่บาทให้เขาถาม กินกับหยังสู่กินหยังตู่ก็กินนั้นเขาถามหมูสับสู่กินกะตอบว่ากินเขาเอาเนื้อหมูดิบมาให้ท่านบอกว่าตู่บ่มีไฟปิ้งเอาสุกเขาก็เอาเนื้อสุกมาเขาถามพริกเกลือสู่กินกะเขาก็เอามาใส่บาดให้ ตอนขากลับชาวบ้านตามมาหลายคนเข้ามาเห็นที่พักเขาถามตู่เจ้านอนบ้านบ่ได้กะตอบนอนได้ตู่จะเยายบ้านให้เอากะเอาตู่เจ้าเยายบ่ได้กะเยายบ่ได้เป็นตู่เจ้าตัดต้นไม้ขุดดินผิดศีลเขาบอกว่าตูเ่เยาะบ่ถือบอกเน้อท่านพระอาจารย์ว่า คำนี้เป็นคำปะวารณาเราก็ใช้เขาได้ตามพระวินัยเข้ามาจัดที่พักจนเสร็จแล้วมาบอกรับใช้ปะวารณาทุกวันท่านถือโอกาสแนะนำสั่งสอนเขาโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจครอบครัวเพราะเขาจนมากก็ทำไร่เลื่อนลอยปลูกพืชผลทุกชนิดรวมทั้งข้าวแต่ไม่พอกินต้องเอาของป่าลงมาแลกข้างล่างลำเลียงขึ้นไปกินกัน ท่านบอกไม่ให้บุกเบิกถากทางป่าต่อให้ทำซ้ำที่เดิมที่เคยทำมาแล้วหนึ่งถึงสองปีเขาบอกว่าอกงามท่านรับรองว่างามเขาก็เชื่อเพื่อนสหธรรมิกมีพระมหาทองสุขสุจิตโตพระอาจารย์มนูพระอาจารย์เนียมโชติโกและน้องชายชื่อโยมแพง การทําไร่แบบชาวเขานี้พระอาจารย์เนียมท่านเชี่ยวชาญมากเพราะท่านเคยทําสมัยยังไม่บวชท่านจะชี้แนะเริ่มตั้งแต่การขุดการปลรูนดินการปลูกการหว่านข้าวไร่และพืชอื่นๆมีข้าวโพดฟักทองฟักแฟงแตงเต้าทุกชนิดหลังปลูกมีการดายา่าปรวนดินใส่ปุ๋ยชนิดปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักตามสูตรของท่านปีนั้นพืชผลงอกงามดีมาก ลืมบอกไปว่าชาวเขาชอบเลี้ยงหมูไว้รับประทานเนื้อทุกครัวเรือนค่ากินแจกเพื่อนบ้านนำมาแลกข้าวบ้างข้าวโพดเป็นอาหารหมูของชาวเขาริมทางขณะไปบินธบาตข้าวโพดฝักใหญ่กำลังปริดอกออกผลท่านอาจารย์เนียมนักเกษตรจำเป็นพบเห็นทุกวันแต่ไม่เห็นข้าปิ้งเผาใส่บาสักที ท่านก็เลยบอกเขาว่าสูเอาข้าพดปิ้งใส่บาที่ตัวกินบ้างกาเขาตอบข้าพูดข้าหมูกินท่านว่าตูเจ้ากินก็ได้เขาว่าตูเจ้าอยากกินอาหารหมูตั้งแต่วันนั้นเขาปิ้งใส่บา ท, ทุกวันตามริมทางยอดฝักทองงอกงามน่ารับประทานแต่เขาไม่กินกัน ท่านอาจารย์เนียมนักเกษตรจําเป็นก็บอกอีกว่าสู๋แกงหมูก็เอายอดฟักทองใส่ลงไปด้วยเขาบอกหมูก็ลําพอแล้วอร่อยพอแล้วไม่จําเป็นต้องใส่ยอดฟักทองอีกท่านอาจารย์เนียมพอเจอคําว่าหมูก็อร่อยพอแล้วจะใส่ยอดฟักทองอีกทําไมท่านก็อ้าอึงครุ่นคิดอยู่ในใจไม่รู้จะพูดให้เขาเข้าใจอย่างไร เรื่องนี้ท่านพระอาจารย์มั่นถือเป็นเรื่องขบขันมากทุกครั้งที่เล่าเรื่องนี้ท่านจะโหเราะชนิดโหเราะใหญ่อย่างขบขันแม้ผู้เล่าและผู้ฟังก็อดัวเราะไม่ได้คำตอบมีอยู่ว่าที่ให้เอายอดฟักทองใส่แกงเนื้อหมูนั้นยอดฟักทองงามน่ากินและมีมากใส่ยอดฟักทองเพื่อประหยัดเนื้อหมูและทำให้รสชาติยิ่งขึ้นไปอีก เพิ่มคุณค่าทางอาหารอีกด้วยนี่คือคำตอบปีนั้นและปีต่อๆมาพืชพันธัญญาหารของชาวเขาอุดมสมบูรณ์ทำบุญใส่บาตรับพรเสียงสาธุการลั่นไปหมดกล่าวขวัญกันว่าได้อยู่ได้กินเพราะบุญตัวเจ้าแต่ มาเหตุผู้อ่านในความเป็นจริงนั้นพระไปบินธบาตจะบอกว่าอยากฉันอะไรไม่ได้ต้องฉันตามที่เขามีและเขาเต็มใจใส่บาตรเท่านั้นแต่ในกรณีนี้น่าจะเป็นข้อยกเว้นพิเศษเพราะชาวเขานั้นไม่เคยรู้ธรรมเนียมในการใส่บาตรมาก่อนพระท่านจึงเมตตาบอกให้ทราบว่าอะไรที่ใส่บาตรได้บ้างด้วยของที่มีอยู่แล้วโดยไม่ต้องไปหามาเพิ่ม ซึ่งอีกแง่หนึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มบุญให้กับชาวบ้านอย่างเรื่องข้าวโพดและยอดฟักทองนั้นก็จะได้เป็นการเพิ่มสารอาหารให้พระซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเมื่อพระท่านปฏิบัติธรรมได้ผลมากขึ้นแค่ไหนชาวบ้านก็ย่อมได้ผลเป็นอานิสงผลบุญมากขึ้นด้วยในที่นี้ต้องย้าให้เข้าใจนะครับว่าคนที่นั่นในตอนนั้นเป็นชาวป่าชาวเขาอย่างแท้จริง ที่ไม่เคยรู้รมเนียมในการปฏิบัติตัวต่อพระมาก่อนจึงจำเป็นต้องบอกให้เขาเข้าใจและทำให้ถูกต้องเมื่อทาถูกต้องผลบุญที่เกิดก็เกิดกับพวกเขาเองการบินทบาทนั้นจะมีรรพาบอีกคำหนึ่งเรียกว่าการออกโปรดญาติโยมคือไม่ใช่เป็นการขอเพื่อหวังให้ตัวเองได้กินแต่เป็นการออกไปถึงที่ เพื่อให้ประชาชนและชาวบ้านได้ทำบุญใหญ่กับพระสงฆ์ซึ่งถือเป็นเนื้อนาบุญที่หาได้ยากยิ่งในโลกกรณีนี้หากเข้าใส่อาหารที่ฉันไม่ได้หรือฉันไปแล้วจะท้องเสียก็ยอมจะเป็นบาปแก่พวกเขาจึงต้องบอกกันให้รู้เพื่อจะได้ปฏิบัติถูกต้องตรงทางต่อไปนะครับ